บุกทูสิบห้าพินสผลไม้และอาหารซาดเย in ินจิวิล่าดิฉันมีสตรอเบอรี่อิมามยาโกโด ดิฉันมีกีวีและแต่งโมอิมามกีวีอินเมลอนดิฉันมีส้มและเกลฟฟรุตอิมามพม่ารันชออินกรนิวกคอดิฉันมีแอปเปิ้ลและมะม่วงอิมามยาบุคออินมะงโก ดิฉันมีกล้วยและสับปะรดอิมัมบานานอินอนาแนนสดิฉันกำลังทำสลัดผ ล, ลไม้รปริพราวลียมซาดนโซลัดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งยิมทส ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนยย็ยมทสต์สมาสลอมดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยมเย็มทสต์สมาสลอมอินมาร์เมลาโดดิฉันกำลังทานแซนด์วิชยมิมแซนด์วิช ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมเยมแซนด์วิชมาร์การีโนดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศเยมแซนด์วิชสมาร์การีโน่ในปาราดิจนิมเราต้องการขนมปังและข้าว in เราต้องการปลาและสเต็กเราต้องการพิซซาและสปาเก็ตตี้เราต้องการอะไรอีกไหม เราต้องการแครอเราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุปาเขือเทศสำาอทหรับทำาซุปซมาตอทหสทมารต